โดผู้ทำมาในด้านปฏิบัติอยู่กันฟังเพราะกันเพาการไปมาแหาสู่สิึงใจได้กันทางพระธรรมยูนใยนทางกฏเก่ า, า, นานะการปฏิสัมฐานธือนิปฏิสัมพานสามารถปฏิสัรพานธ์อนิปฏิสัมฐานธ์อยู่งการอยู่ป่าละกปฏิบัติคนที่เคยอยู่ แต่ฐานที่โอโถงอย่างคนเมืองนอกหรือคนในกรุงมาตามาเขาโดยส่วนใหญ่ของชาวิทีอยู่ที่อาศัยก็ไม่นเหมือนในกลุงเรื่องเหล่านี้มันเป็นธรรมดาพวกชาวตา่ามายค <c oughs> ิดเห็นออกเห็นใจผ <c oughs> ู้ตอนรับตาใสเหมือ น, นกันส่วนธรรมะปฏิสันฐาน ทำอะดูรรกันฟังอย่างธรรมะปฏิบันฐานในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นกษัตริย์ความเป็นอยู่ทุรนทารีอะไรดีทั้งหมดไม่ว่าที่ไปพักที่บันทมอาหารการเฉลิมฉลองท่านก็ดีทุกสิ่งทุกส่วน แต่เมื่อท่านไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ตามรุกขโมลท่านได้อยู่ได้อาศัยอย่างไรเรานักปฏิบัติทั่วไปควรจะทําหนึ่งคานวณทิ้งนนท่านทาไมอยู่ได้ความลําบากยากเย็นในใจเด่งต้นก็เกณฑ์ธรรมดาคัดข้อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเศษติดตาของเรา เคยอยู่ในกรุงนมนานข้าออกมาบ้านปา่าหรือเป็นน้ำบดมาเห็นบ้านช่องถนนท้นทางทุกอย่างรู้สึกว่าไม่สะดวกในจิตในใจของเราเพราะเราเคยอยู่ในสถานที่อย่างนั้นหรือไฟสำหรับเราเคยอาศัยเคยอยู่ไฟฟ้าแสงสว่างมาอยู่ป่าช้าเชียงไชยหรือไฟตะเกียงดวงเล็ก ก็รู้สึกไม่พอต่อความต้องการของเราหูของเราเคยอยู่ในที่ไม่สงบสงดัดพอเข้าป่าเข้าเขาไปไม่ได้ยินเสียงมนุษย์ไม่ยินแต่เสียงแสปตาหรือเงียบสงบแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมันเดบจิตแต่ถ้าเราเคยอยู่ในสถานที่สงบส ง, สงัเคยปฏิบัติโดดเดี่ยว เมื่อเราเข้าไปในชุ ม, นมชนรู้สึกไม่สบายนี่จึงว่าการเสพติดมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นแต่ทางพระพุทธศาสนานะที่พระพุทธเจ้าได้นำธรรมะมาสอนโลกท่านทำอย่างไรควรพวกเราทั่วไปจะทีนี้ที่เจรินาะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่สงบสงัด ตั้งหน้ปฏิบัติทางธรรมะโดยส่วนใหญ่นี่ใช่ท่านจะมุ่งผลอะไรขอแต่ให้ใสะดวกกายสบายใจพอประทัทงชีวิตเป็นไปในเรื่องอาหารส่วนการต่อเชื้อปฏิบัติไม่ขัดขอ้องอุชาพยายามระคองจิตใจมีสติสืบสอบอารมณ์สัญญาถ่ายในตนสม่ำเสมอไป ไม่ว่าวันใดชั่วโมงใดนาทีใดหรือวินาทีใดเมื่อไม่มีบุคคลผู้อื่นไปปุ๊บพลาดหรืออารมณ์ทัญญาส่วนในใจเกิดขึ้น <c oughs> ท่านรู้จักทุกระยะทุกเวลาท่นานรักษาสิ่งความดีของท่านเอาไว้ส่วนอารมณ์ใดซึ่งเป็นไปทางฝ่ายตา่ำคือฝ่ายชี่เหนท่านอุตส่าห์พยายาม สชำระสะสางิตใจของท่านท่านทําอย่างนั้นจิตใจของท่านจึงนับวันนับเวลาเจริญก้าวหนะ้าแต่พวกพวกเราปัจจุบันท่านตานักปฏิบัติเดี๋ยวนี้นีแต่ชื่อโดยทวนใหญ่สมกับคําที่เราว่าวัดตาจะตายไปเป็นวัดบ้านวัดบ้านจะตายไปเป็นคนได้คนได้จะลายไปเป็นที่บ้าถูกตามคำนั้นสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะในจังหวัด นี่แหเคยที่นี้ที่เจอน่ะแคยก่อนคือบางอาจารย์อย่างท่านอาจารย์มัน่นท่านเคยไปอยู่กตที่ที่อยู่ที่อาศัยหลังเล็กเล็กหลังคาผป็มุงหญ้าขว า, าก็ะใบตองพื้นกบอบโดยมากก็เป็นไม้ไผ่เป็นฟ้ า, าที่อยู่ที่อาศัยมันใหญ่โตรโหดฐานอะไรใครได้สร้างที่ไหนใคได้ยินถึงหูงของท่าน ท่านจะต้องพอพบหน้าคนนั้นเขาก็สุขเตือนเป็นอย่างนั้นสมัยท่านยังอยู่ไม่มีบุคคลผู้ใดพัฒนาวัดวาพัฒนาด้านวัตถุแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นสร้างแทนกันเยอคนนั้นสร้างแล้วคนนี้สร้างหาวงินหาทองก็อสร้างกันอย่างสุน ม, มูลวุ่นวายท้าเจ้าพระสงไม่ค่อยได้อยู่ สะดวกสบายการเดินจงกรมภาวนาหรือการทำธุระของศาสนาจริงจังไม่ค่อยมีแก่นักปฏิบัติมากอยากสิ็นตัวอย่างนั้นในสถานที่วิเวทไม่ค่อยมีนอกจากไปหาในงานบุญนั่นนี้เพราะสมัยนี้ก่อ ก, การวิเวทก็ไม่เหมือนก่อนเหมือนกันจะเข้าป่าเข้าเขาเข้าทรรอย่างสมัยเก่าก่อนอย่างที่ฉนใจมันยัง มีชีิตอยู่เข้าไม่ได้จีเก็บพวกบ้านก็จะว่าเป็นพระป่าไปเทียพวกป่าก็าจะว่านักสอบสืบไปเที่ยวเลยไม่สะดวกไม่สบายผลที่สุดอยู่กับวัดขอวัดปฏิบัติที่จะตั้งหนาต่างตาอบรมศึกษาเรื่องของตนจริงกังก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นวุ่นวี่วุ่นวายกลายไปเป็นพระก่อสร้างหรือเป็นพระทาบุญภายนอก จริว่ะวัดป่ากลายไปเป็นวัดบ้านแต่ก่อนวัดบ้านที่เขาอยู่ตามบ้านตามซ่องหาเนหาทองก่อหลางสร้างบุญภายนอกแล้วเอาบุญมาอาชาตบิบุญนั่นบุญนี้กันบ่อยๆแต่สมัยนี้นักปฏิบัติเป็นไปอย่างนั้นส่วนวัดบ้านเหรอที่ว่ากลายไปเป็นคนดายเป็นอย่างไรวัดบ้านสมัยนี้ไปกันใหญ่อีกเหมือนกันมีการ ้าายมีการทำไปต่างๆเรื่องเป็ดเลี้ยงไก่ทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนชาวบ้านชาวบ้านเป็นคนเออเป็นคนได้ตายไปเป็นทีบานเ ข, าาาาาข้าไปหาพระหาเจ้ า, าเขาไปหาหล่ำหารวยเลยเข้าไปหาศีลหาทำอะไรได้ตายไปเป็นอย่างไรเหตุดั้นนักปฏิบัติจึิงเหลือแต่ชื่อส่วนการปฏิบัติภายในจิตใจจริงๆหายา สมัยปัจจุบันทานตาเราก็เป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งซึ่งโลกของเขาสมมุติว่าเป็นพระกรรมฐานเราต้องคิดอ่านเรื่องการอยู่การไปของเราจึงจะไม่เสียทีที่เขาสมมุติให้การปฏิบัติกายใจของเราทุกวันนี้เราอยู่กับที่ในทําความสงบสงัดอย่างไรได้กําไรหรือขาดทุน ในวันหนึ่งหนึ่งจิตของเราเคยสงบสงัดอย่างไรเคยได้สติปัญญาวิชาความรู้แปลกขึ้นมาอย่างไรถ้าบุคคลผู้ใดมันสอบสื่อจิตใจของตนที่ออกเข้าหรือตั้งคมกับอารมณ์ทัญญาต่างๆผู้ที่มีสติอย่างนั้นจะต้องรู้จักเรื่องความเสี่ยบหรือความเสียของจิตใจวเจาริร์ไปอย่างไรถ้าไม่รู้จักวิถีทางของจิต ที่มันออกไปทุกทีกับสัญญาอารมณ์แล้วการประพฤติปฏิบัติจะให้ดีไปยากแสนยากทีเดียการไปการมาหรือการอยู่การอาศัยมากอยากเป็นไปอย่างนั้นถ้าหากองค์ใดยึดไปก็ดีทั้งเสียเหตุการณ์เรื่องจิตใจของตนอยู่ก็ดีทั้งเสียเหตุการณ์เรื่องจิตใจของตนคนไปก็มีจะไปก็มีค่าจะอยู่ก็มีราคาไม่เคีย หาใจในคิดอยู่ในคิดชีวิตของบุคคลผู้นั้นไม่เป็นท่าหาคุณค่าราคาในดักเพราะไปแบบในคนํานึ่งคำนวณถึงจะไหมเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทันละเอียดสไปยะทั้งสี่ทันว่นาเจนะชนะสไปยะหรืออาหาราสไปยะบุคคลสไปยะอุตุสไปยะพวกเราทุกวันนี้คงไม่คํานึ่งคานวณ แล้วก็ไม่รู้จักตัวอีกเหมือนกันว่าสปายาทั้งสี่เป็นของสําคัญอย่างไรท่านผู้ใจเจ้าจึงบัญญัติเอาไว้ให้เลือกหาแต่ในปัจจุบันท่านตานในตันอย่างนั้นอาหารการชินหรือที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายถูกกับยิเห้อนั่นเป็นสปายะไม่ได้คิดคำนึงคำนวณหาว่าการอยู่ทิ่นจิตใจของเราเสื่อมลงไปหรือเจริญขึ้น าการกระทำของเราแต่เราอยู่ที่นั้นจะมาอยู่ที่นี้เวลาที่กระทําบมเพนมากน้อยต่างกันดได้ไม่ได้ค ำ, ำนึนงคำนวณทีมันเป็นอย่างนั้นเสนาสไยยะเส น, นาสนะสไยยะที่ท่านกล่าวและผู้ปฏิบัติในทางศาสนาจริงจังโดยได้ยินได้ฟังจากสุบาอาจารย์และสอบสืบจิตใจของตน ท่านว่าเสนาสนะสบายยะหมายความว่าเราเคยอยู่เคยอาศัยในวัดนี้มาแรมเดือนแรมปีจิตใจของเราดีชั่วยอย่างไรเราเคยเข้าใจเคยสืบทีนี้พเจน า, นาดูแต่เราจากสถานที่นี้ไปไปอาศัยถ้ำกว่าตามวัดกว่าตามวิล่มไม้กว่าตามการอยู่การอาศัยของเราการกระทาบําเพ็ินของเรา เท่าเดิมแต่จิตใจของเราเกิดสติปัญญาวิชาความรู้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในทางดีหรือทางสื่วเราเข้าใจถ้าหากเราเคยสงบส ง, งัดในวัดอยู่ในวัดเคยพิจรารณาสุภะร่างกายของเราหรือพิจารณาอะไรจิตใจแจ่มใสไปในสถานที่นั้นเกิด ขุ่นมัวเข้าหรือจิตใจเคย ร, รงรวมแต่ไปสถานที่นั้นไม่รงรวมเราก็จะได้รู้ได้คอยใจว่าสถานที่นี้หรือเ <c> ท <oughs> นาชนะที่นี้ไม่เป็นสัตยะต่อเราถ้าหาเราเคยอยู่ในวัดปฏิบัติอย่างจงงวดกวดขันแต่เท่าว่าไปสถานที่นั้นก็ทําอย่างเดิมจิตใจของเราอยู่ในวัดที่จะระนาอะไรไม่ค่อยแจ่มใส แต่ไปสถานที่นั้นแจ่มใสจิตใจเยือกเย็ยน ร, รวมรวมความรู้ความสำหรับซึ่งผุดขึ้นมาจากจิตจากใจของตนรู้เห็นต่างๆนานาเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นทันว่เป็นเสนาสะนะสบายใจถึงจะลําบากยากเย็นในอาหารการกินถึงจะลําบาก ไม่ส่วนอื่นไม่ถือเป็นสำคัญหนักแน่นเท่าไรเพราะผู้มุ่งการพ้นจากโรคท่านไม่ได้มุง่งฝ่ายอานิสพอประ ท, งทังชีวิต ไ, ได้เป็นวันวันเป็นพอขอแต่ให้ได้เพื่อปฏิบัติสะดวกสบายและจิตใ จ, จเจริญก้าวหน้า่านเป็นอย่างนั้นมีเรียกว่าเสนาสนะสบายยะหมายถึงว่า เราไปอยู่ไปอาศัยจะไปอยู่เพียงระยะช่วเวลาสั้นๆนิดนหน่อยๆ่็ตามแต่จิตใจของเราได้คุณงามความดีหนี้ไประลึลกนึกถึงสถานที่อย่างนั้นเพราะจิตใจของเราเมื่อมันเป็นไปอย่างไรเรามีจะติสืบสอบความรู้ที่ประทับจิตของเราจอมเกิดขึ้นจอมเข้าใจชัดเจนความสะดวกสบายความสุขซึ่งเกิดขึ้นเราจะไม่มีเวลาหลงลืม เมื่อไปสถานที่อื่นทำไม่ได้จะส่องแล้วเลิกลดถึงสถานที่นั้นเวลาเราอยู่นั้นจิตใจของเราได้รับความสว่างเสวัยหรือสงบเยือกเย็นอย่างนั้นอย่างนั้นจําแม่นทีเดียวนี่เดียวย ว, ว่าเจนาสนะสปอยาที่หยความสุขความสบายแต่เจนาสนะสถานที่นั้นถ้าหากเราไม่สร้างเกตยรติส้างกาไม่ได้พิจารณาและไม่ได้ทําความภาความเพียรอะไรเราจะเข้าใจได้อย่างไรหรอเมื่อเราไปอยู่ไปอาศัยชอบความเพียรคงใจเราไม่ได้คํานึงคํานวณซึ่ง ไปอยู่ไปอาศัยไปหลับใจนอนเหมือน ก, นกันกับคนทั่วไปที่ไปป่าไปเขาจะรู้จะเข้าใจเรื่องจิตของตนจเจริญหือเสื่อมไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเพราะไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปไปฏิบัติทางใจเลยไปสถานที่ใดก็ไม่ศบจังหวะให้เหตุนั้นผู้ที่เป็นนักปฏิบัติจริงๆจะต้องสืบสอบจะต้องพี่นี้ที่ไดนะ เนื่องเสนาชนะสบายะนีะะ่ใครว่าครูบาอาจารย์ท่านดีเราเข้าไปจะดีเหมือนท่านทุกอย่างไปก็ดีไปไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้นในปัจจุบันท่านตาครูบาอาจารย์ท่านที่มีคือเสียงหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีประชาชนคนและเมืองทั่วไปเกิดความเสือ่อความเลื่อมใสลูกติดลูกหากที่ไปถึพาอาศัยจะดีเหมือนท่านทุกองค์ไปก็ยากอีกเหมือนกัน ครูบาอาจารย์ก็เป็นอุปกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนสอนเราซึ่งอ่อนในการศึกษาเรืออ่อนในการปฏิบัติก็ไป ม, มีทางที่จะนึกคิดที่จะปฏิบัติให้ถูกต่องตามแนวทางอีกเสียดนั้นบุคลาสปา ย, ยะก็หมายถึงว่าประชาชนหรือครูบาอาจารย์หมู่คณะในวัดในวัดที่เราไปพัฒนาอาศัย ความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างคัดขอ้องเ่งจิตใจเมื่ อ, อไรท่านแก้ไขท่านแนะสอนให้เรียกว่าบุคละสบายะคือบุคคลเป็นที่สบายคัดขอ้อจิตใจอะไรขึ้นท่านแก้ไขท่านแนะแนวให้ให้เราหายสงสัยในจิตในใจของเราอุตุสบายะหมายถึงอากาศเป็นที่ สะดวกสบายนี่แต่ก่อนไม่คืดเป็นของสำคัญเพราะเหตุไรเพราะไปสถานที่ใดอากาศหนาหนาวมันก่อหนาวหนาร้อนมันก็ร้อ น, นเป็นธรรมดาแต่ไปอยู่วัดบรรสัตรรู้สึกว่าอุตส่สบายยัรู้จักขนัดชัดเจนเพราะเคยไม่เคยเห็นไม่เคยพบไปอยู่สถานที่อื่นอยู่ในถ้าก็เคยอยู่อยู่ในป่าในเขาลึกๆ ก, ก็เคยอยู่อยู่อาศัยสถานที่ใดไม่เคยมีอากาศ อย่าเป็นคิดเป็นใยเจร่างกายถึงเวลาไข่กว่าไข่ไปธรรมดากินอยู่กินยาเวลาหายกว่าหายไปแต่อยู่วัดบรรดาศที่เคยอยู่มาถ้าอยู่ไปนานขนาดนี้ยังไม่หนีจากวัดบรรดาศร่างกายอันนี้รู้สึกว่าจะต้องเอาไปฝังไปเผาันแล้วพอเรื่องจิตอากาศถ้าจึงหวะอุตุสบายคนที่ไม่เคยประสบพบเห็นก็สังเกตไม่ได้ นี่เราไปประสบโดยตัวของเราเองเห็นโดยตัวของเราเองจะฉีดยาหรือหายามาฉันหายามาพารักษาโดยวิธีใดก็าตามโรคไครไม่มีปัญหาเพราะออกจากสถานที่นั้นไปสถานที่อื่นโดยแม่ต้องเลยฉีดยารักษาโดยวิธีใดมันหายไปเองไม่รู้วกกรรมมันเป็นยังไงถ้าหากว่าอากาศถูกต้องผ่านขันอย่าง สถานที่อื่ น, นตันก็ยังจะอยู่กับทานายจางในนี้เป็นสถานที่อื่นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราอยู่เป็นผู้น้อยมันสะดวกสบายในดิคิดอ่านในการที่จะแน้สอนประชาชนและหมู่คณะเราอยู่ใรลมใส่งเงาของทนอาจารย์รู้สึกสะดวกสบายทุกจินทุกอย่างไปแต่กรรมแม่อํานวยให้จึงคือว่าอุตส่าห์ไปยะเป็นของสําคัญอย่างร้ายแรงเหมือนกัน อาหารสตปา ย, ยะก็เป็นนักสังเกตอีกเหมือนกันซึงจะรู้อาหารเป็นของสำคัญสำหรับจะพยุงจิตใจด้านภายในีพระพุทธเจ้าเนี่สอน <c oughs> ทุกบททุกบาททุกช่อยทุกคำที่ท่านแนะนำคำสอนนักปฏิบัติมีของมีข้อสำคัญทางนั้นนีใช่ว่าท่านสอนไปโดยเปล่าประโยชน์ อาหารสลาะยะัดหาพวกเราไม่ที่นี่พิจรนรณาเราก็ไม่รู้ถ้าหากเราที่จารณาจะรู้ปกตินักปฏิบัติจะต้องสังเกตเหตุการณ์ในเรื่องจิติตใจของตนสม่มําเสมอไปไปอยู่สถานที่ใดกินอย่างไรนอนอย่างไรประพฤติอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรก้าวหน้าหรือถอยหลังเสื่อมหรือจเจริญต้อสังเกตทึงอากาาทู มุคคลถูกเสียนานะเป็นมงคลแต่หากอาหารไปขัดข้องในจิตในใจมักอยากจะถือหรือมักอยากจะง่วงทับผมอาหารโดยส่วนใหญ่สำหรับทักนักปฏิบัติทางใจทาเป็นอาหารจำพวกมันพวกหมูพวกนเหล่านี้พวกหมูพวกเนื้อรู้สึกว่าเมื่อฉันลงไป อ่อนเพียนอนเก่งฝันลามกสู่อาหารพวกน้ำพริกหรือผักไปไม่ได้สะดวกสบายชาดขันอ่อนเพียจริงแต่จิตใจสว่างสวยจิตใจสะดวกสบายอาหารเป็นของสำคัญอย่าง้ายยงจีเรศขข้นเก่งเหมือนกันคนที่ไม่เคยอดอาหาร ทานตามชอบใจของตนและก็ทานของที่ดํารุงวิตามินอย่างนั้นวิตามินอย่างนี้นั่น ง, น, น, งนักเข้าจิเลดในใจของเราทามันเทียงพอบริบูรณ์เมื่ก็มีกําลังเหมือนกันจึงว่าเรื่องของกายและใจอาศัยกันนี่ใช่ว่าจะปฏิบัติตังแต่กาย่ายเดียวจิตใจในต่อคำหนึ่งคำนวณถึงหรือปฏิบัติใจใจอย่างเดียวกายในคำหนึ่งคำนวนถึง ถ้าหากเราจะเทียบเรื่องของกายของใจอาหารการกินกับเรื่องของการปฏิบัติทาร้ายชีวิตมันเหมือนกับโจนใจของเราเป็นตัวโจนใหญ่คนหนึ่งต้นเจงสโอมเจ ง, เ, จงเป็นนักเลงโต่แต่ถ้าว่าโจนถ้าหากมันไม่มีอาวุธปืนไม่มีมีดไม่มีจะได้ฆ่าไปทีเขามัน ก, กลัวอีกเหมือนกันถ้าหาโจนมีอาวุธในมือดี ใจมันกล้าเป็นผีมาแล้วอาวุธมันก็ดีไปสถานที่ใดมันย่ําดีหรือป่นปะดมได้เท่านั้นเพราะอาวุธมันเพียงพอนี่ธาตุขันของเรา <c oughs> ทางหากบำรุงในฝ่ายอาหารการถันเพียงพอบริบูร์หลับนอนตามความต้องการของมันทานอาหารตามความต้องการของมันธาตุขันมันสมบูรณ์จิตใจที่มีพิเลศอยู่แล้วก็ยิ่ง เพิ่มนิเดีขึ้นไปเรามาดัดหัวของเราจะต้องสังเกตการหลับการนอนของนอนจะให้มันเต็มความชอบใจของเราการขบการขันผ่าจิตใจมันลงรวมไม่ได้จิตใจมันยังเฝ้าขันหรือเกิดเคิรนไปตามเรื่องต่างๆเราดัดด้วยการเดินชมกลมไม่ได้ดัดด้วยการทำ ธ, ธรรมดาในความถ่าความเพียรใม่ไดเราต้องอด นอนดูผ่อนอาหารดูอดนอนเป็นอย่างไรผ่อนอาหารเป็นอย่างไรให้ฉันมากเป็นอย่างไรฉันปางๆเป็นอย่างไรฉันน้อยเป็นอย่างไรมันยังดื้อยังขนองอยู่ตัดมันเสียมาห้ามไม่ให้มันนอนเสียห้ามแม่ใ้มันฉันจังหันเสียมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จึงจะปฏิบัติถูกถ้าไม่อย่างนั้นปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่ามันเสื่อมโดยเหตุอะไรไม่รู้ว่ามันเจริญด้วยเหตุอะไร นักปฏิบัติต้องนักเป็นนักสังเกตเรื่องเหล่านี้สถาปัยาทางศีลยังเป็นของสําคัญที่พวกเราท่นานจะควรชนิดที่จะไรนะนี่แ่ว่าไปสถานศี่สถาปยยาแล้วจะดีทั่วไปเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยตัวของเราอีกเป็นนักสังเกตเหตุการณ์เป็นนักสืบสอบเรื่องจิตใจแต่การแต่ทำบมเพนเป็นของสําคัญทางเราไม่กระทำนันก็ไม่รู้ จะผ่านไปในสถานที่ดีสักเท่าไรมันก็ดีไปในไดน้แต่หาเราเป็นนักศึกษานักจะทําบําเพ็ญจริงจังสืบสอบจิตใจจริงจังออกอย่างไรเข้าอย่างไรไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรู้ดียิ่งกว่าตัวของตัวเองรู้เรื่องจิตจังใจเหตุนั้นนักปฏิบัติจงให้มีสติทีนี้พี่เจนะคิดถี่มันนึกคิดสืบสอบเรื่องของมัน รายด่ารายเสียในวันหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างไรให้เข้าใจผู้ที่มีสติปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าผู้ที่มีสันเลขาธรรมสันเลขาธรรมคือทํากําจัดเรื่องภายในที่จิเล็ดปัญหาอาศัยถ้าหากไม่มีสติไม่มีปัญญาที่นี้ที่เจรณาตัวเรื่องจิเล็ดจึงมันอยู่อาศัยภายในจิตใจของเราเราจะไม่รู้จักไม่รู้จัก หน้าตาของที่เรสไม่รู้จักที่อยู่ที่อาศัยจะไปทำลายที่เรศได้อย่างไรนักปฏิบัติจะต้องรู้จักเรื่องที่เรศที่มันอยู่ในจิตในใจของตนจึงจะทำลายที่เรศได้เรศนั้นเราทุกท่านที่เขาให้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติต้องหมั่นฝึกหัดและอบรมสืบสอเรื่องของตนอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะจิดการงานหน้าที่อันอื่นไม่มี เรามุ่งหน้ามุ่งตาจากที่หาสถานบัตรเรือนของเรามาหรือมาบวชเป็นพระที่สุสามเณรความมุ่งหน้ามุ่งตาขอ ม, มุ่งอยากจะพ้นไปจากที่เหลือตัณหาพ้นไปจากทุกทุกมันมีอยู่ในสถานที่ใดเราจะต้องสืบสอบดูเรื่องของทุกให้เข้าใจทุกที่เป็นฝ่ายของขันหรือ ที่เป็นฝ่ายของีิเลสที่เราได้รับอยู่ยงเรแต้องพิจารณาดูถ้าหากทุกเป็นฝ่ายของขันถ้าอริยะเจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านโกละไม่ได้ถอดไม่ได้ถอนไม่ได้เหมือนกันเพราะเรื่องของขันเป็นเรื่องที่มีมาเดิมเมื่อใดจิตยังอาศัยอยู่เรื่องขันนั้นนั้นจะต้องต่อแสดงความทุกข์สม่ำเสมอไป แต่ทุกเรื่องของใจเป็นเรื่องที่จะกําจัดห ร, รือปฏิบัติให้คนไปได้เหตุนั้นทุกเรื่องของใจนอกจากเราจะปฏิบัติมีสติปัญญาที่จะรายงาจริงจังแล้วจะไม่รู้จักว่าอะไรเป็นเรื่องทุกใจอะไรเป็นเรื่องทุกการถ้าหาไม่รู้จักเรื่องของทุกเหตุเกิดทุกมันมาจากที่ไหนล้วก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน การปฏิบัติถาหาไม่เห็นทุกข์ไเห็นเรื่องของเหตุก่อทุกข์ให้แก่ตัวความรู้ซึ่งเรียกว่านิโรธการดับทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนนิโรธจะเกิดขึ้นก็เพราะเราเห็นเรื่องของทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ดับเรื่องของเหตุได้ผลคือความสงบจิตสงบใจด้วยความ แจงชัดในตัวจะเกิดขึ้นเห็นขึนนักปฏิบัติถ้าหาพูดถึงคิฐิี่คิดถิสูงกว่าปริยัติปริยัติถ้าหากพูดกันคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พอไปดูตำรับตำราเข้าลงกันได้แต่นักปฏิบัติจะเอาปริยัติมาแ้แ้ไขไม่ค่อยออกคนที่ปฏิบัติเป็นไปภายในจริงจัง ตนปรยัติที่เรียนมาสูงเท่าไรก็าตามจะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติที่ท่านฝึกตัวของตัวอบรมตัวของตัวไปตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดปัจจุบันของท่านจะไปแก้ไขว่าอันนั้นในด้านธรรมะว่าอย่างนี้อันนี้ในด้านธรรมะว่าอย่างนี้จะเอาตำหลับตำลาหรือเอาวาดฮะในการ จำมาด้วยสัญญามาแก้ไขแก้ไขอยากเลือดเกินแต่ถ้าหากผู้ปฏิบัติท่านเคยปฏิบัติผ่านมาเพราะท่านพูดธรรมะซึงเราไปศึกษาเขาพูดคำเดียวเท่านั้นแหละถึงจิตถึงใจไม่ต้องพูดมากการที่จะรู้เรื่องของพระแน่นอนจริงจังหรือครูบาอาจารย์จริงจัง เราต้องปฏิบัติตัวของเราถ้าเราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้ครูบาอาจารย์องค์ใดท่านทังความเพียนเจงกว่าท่านเจงเสียท่านพูดเจงกว่าท่านเจงเสียท่านอธิบายทำไมเจงกว่าท่านเจงเสียแต่เจงขนาดไหนเราไม่เข้าใจถ้าหาผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติเป็นไปภายในใจของตนท่านอธิบายธรรมะไปอธิบายธรรมะไปมันจะต้องสะดุดใจ เรื่องที่มันไม่ถูกกับเรื่องที่เราปฏิบัติท่านจํามาหรือจาจากําหรับตารามาหรือท่านปฏิบัติถูกนึกจิตอย่างไรเราก็จะทราบได้ในจิตในใจของเราเหมือนกันกับถนนหนทางที่เราเคยเดินผ่านไปบ่อยๆต้นไม้ต้นนั้นอยู่ระยะนั้นแต่เข้ามาว่าอยู่ระยะนี่มันผิตไปเทียเราจึงจําได้ดี การปฏิบัติจึงเป็นประลอดอันหนึ่งซึ่งจะวัดจิตใจของครูบาอาจารย์หรือรรทำภายในของครูบาอาจารย์ได้อย่างถนัชัดเจนเหตดนั้นผู้ที่จะอยากรู้จั ก, กว่าครูบาอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติไปได้แค่ไหนเราต้องปฏิบัติภายในของเราเที่ยก่อนให้รู้จักเที่ยก่อนเข้าไปศึกษาหาลือกับท่านจิตใจของผมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น พอศึกษาเท่า น, นั้นแหละถ้าหากท่านเดิเคยเดินผ่านไปก่อนท่านจะรู้จักเรื่องจริเราเป็นอยู่หรือเราจะทํำท่าไม่รู้ในเรื่องต่างๆเพราะ้าไปศึกษากับท่านท่านก็ร้ว่าคนคนนี้เคยปฏิบัติผ่านมาอย่างนี้อย่างนี้มันสาคัญที่นั้นทดี๋ยวครูบาอาจารย์ในมีหูทิสตาที่ก่ตามถ้าหากได้เล่า การปฏิบัติด้านจิตใจจริงจังสู่ท่านฟังท่านจะต้องแนะให้สอนให้แล้วต้องปฏิบัติตัวของเราถ้ า, าเราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้คูณบาอาจารย์องค์ใดท่านทางความเพียนเก่งกว่าท่านเก่งเสียท่านพูดเก่งกว่าท่านเก่งเสียท่านอาธิบายทําำไมเก่งกว่าท่านเก่งเสียแต่เก่งขนาดไหนเราไม่เข้าใจถ้าหาผู้ปฏิบัติ ได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติเต็มไปภายในใจของตนท่านอาธิบายธรรมะไปอธิบายธรรมะไปมันจะต้องสะดุดใจเรื่องที่มันไม่ถูกกับเรื่องที่เราปฏิบัติท่านจำมาหรือจำจากําหลับํารามาหรือท่านปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างไรเราก็จะทราบได้ใ น, ในใจิตในใจของเรา เหมือนกันกันกบถนนทนทางที่เราเคยเดินผ่านไปโดยบอยต้นไม้ต้นนั้นอยู่ระยะนั้นแต่เขามาว่าอยู่ระยะนี้มันจิตไปเคีดดเยเราจึงจําได้ดีการปฏิบัติจึงเป็นประหลอดอันหนึง่งที่จะวัดจิตใจของครูบาอาจารย์หรือธรรมะภายในของครูบาอาจารย์ได้อย่างถนัดชัดเจนเหตุนั้นผู้ที่จะอยากรู้จักกับครูบาอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติ ไปได้แค่ไหนเราต้องปฏิบัติภายในของเราเช่อก่อนใค้รู้จักเช่นก่อนเข้าไปศึกษาหารือกับท่านจิตใจของผมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอศึกษาเท่า น, นั้นนหละถ้าท่านเดินเคยเดินผ่านไปก่อนท่านจะรู้จักเรื่องที่เราเป็นอยู่หรือเราจะทาถ้าไม่รู้ในเรื่องต่างๆเพราะเข้าไปศึกษากับท่าน ท่านรูน้ว่าคนคนนี้เคยปฏิบัติผ่านมาอย่างนีงง้มันสำคัญที่นั้นยิ่ว่าครูบาอาจารย์ใน ม, มีหูทิสตาที่กาตางถ้าหาแไ้เล่าการปฏิบัติด้านจิตใจจริงจังสู่ท่านฟังท่านจะต้องแนะให้สอนให้ภายมีความรู้ของท่านสูงขึ้นไปท่านก็จะต่อเรื่องที่เราปฏิบัติอยู่จู่งเราไป จุดข้างหน้าได้เหต น, นั้นสมัยปัจจุบันท่านตามักอยากจะก่อร่างสร้างวัตถุแข่งขันกันเรื่องจิตใจเรื่องการปฏิบัติไปในสถานที่ใดๆยากหนักยากหนาผู้ที่จะมาศึกษาหรือผู้ที่จะคุยกันในเรื่องการปฏิบัติมันต่ํามันเสียไปอย่างนั้น พราเนินมากขึ้นในประเทศไทยของเราต่างเป็นร้อยแสนแต่พราอันแท้จริงหายยากถามมาที่นี้พิจารณากันจริงจังได้แต่ปริมาณแต่คุณค่าหายยากมีมากเท่าไรป่อกุ่งกันไปเท่านั้นแต่ผู้ปฏิบัติจริงจังมมนเป็นอย่างนั้นถึงใครจะรู้ ตัวของท่านหรือไม่รู้กวดตาท่านอยู่สะดวกสบายของท่านทุกอียาบทพอจิตใจของท่านได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติของท่านถ้าในอย่างนั้นเราไปเห็นท่านพูดเี่งเทศเี่งก็เข้าใจว่าท่านดีท่านดีพิเศษแต่พูด ทั้งยังจิตเดียงใจจริงจังเคยฟังเหมือนกันเราเป็นคนที่คนหนึ่ ง, า ก, งาาการฟังธรูบาอาจารย์แนะสอนบางสั่นบางองค์ก็สอนไปถึงจุดหนึ่งบางทัน่นบางองค์ก็สอนไปถึงจุดหนึ่งแต่ทั้งท่าน ท, ที่สอนกันอยู่นั่นแหละจุดที่ท่านย่ําอยู่ยบ่อยๆท่านเข้าใจว่าจุดนั้นเป็นจุดสําคัญจุดนั้นเป็นจุดหลุดพ้น แต่เมื่อฟังดูแล้วมันยังไงยังไงอยู่เราก็ไม่ใจผู้รู้ผู้หลุดพ้นแต่เพ่ว่าเคยฟังเคยประพฤเคยปฏิบัติมาทำทุกข้อทำทุกบททุกบาทที่ออกจากปากครูบาอาจารย์มาเนีสอนถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติเข้าจิตเข้าใจเป็นสันติธิโกคือเห็นเองจากตัวของเราจะไม่ ยอมเชื่อและเรายอมลงเอยเอาอย่างงี้ในจุดที่ท่นานว่าเช็นอย่างนั้นเราเคยผ่าน ม, มาจุดผิตเป็นอย่างนี้เราเคยผ่าน ม, มาเหตุ น, นั้นทิฏฐิของนักปฏิบัติจึงเป็นของสาคัญแต่ถิงอย่างไรก็ดีขออาราธนาทุกท่านให้ปฏิบัตดิดูจะรู้จะเข้าใจาความสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ถึงแม้ยังไม่ถึงที่สุดยิมุติพานกว่าตามเพียงแต่ท่านสงบสงัดเพียงแต่ท่านสมาธิพ็รู้สึกว่ารสชาติของความสุขเกิดขึ้นจากจิตจากใจที่สงบสงันต์คิดกันมวกก่บความสุขฝ่ายอานันนี้คนที่เขามีเงินล้านเขาจะไประสบความสิน้นอย่างนี้ไหม ถ้าเขาเห็นอย่างนี้สมบัติส่วนนั้นเขาต้องปล่อยไปไม่ยอมไปคุกคีไม่ยอมไปยินดีได้จิตที่เข้าไปถึงขั้นสุขได้อย่างนั้นเชื่อมัน่นว่าตัวพวงเราถ้าปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลาคงจะมีคุณค่าคงจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ยากปฏิบัติ ให้คงเจ็บคงว่าอยาจะปฏิบัติให้ได้ทุกการทุกเวลาแล้วเมื่อไม่เห็นไม่เป็นจะเชื่อได้อย่างไราความสุขของใจเป็นอย่างนั้นจะบอกเท่าไหร่สอนเท่าไหร่ใครจะได้เชื่อเพราะมันไม่เห็นด้วยกันถ้าหมันเห็นด้วยกันมันเป็นขึ้นภายในมันอยู่ไม่ได้โลกอันนี้เหมือน ก, นกันกับเราอยู่ในกองไฟลําบากยากเย็น มากที่สุดแต่เรามันมันเกิดกับไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันชินเคยกับไฟเลยพออยู่พออาศัยได้แต่ถ้าเรียกเจ้าหรือท่านนักปฏิบัติท่านเคยเห็นมันแผลดเขามาอย่างไรท่านพ้นจากไฟไปได้ท่านมีความสุขความสบายอย่างไรท่านเข้าใจในท่านมาเห็นพวกเราซึ่งเล่นอยู่กับไฟจึ่งสลดต้องเหตุใจจะทําอย่างไรเราจะตื่นตัว ว่าเราอยู่ในไฟถ้าหากเราไม่รู้สึกตัวเราอยู่ในไฟยังเข้าใจว่าอยู่ในร่มในเงายังสุกการสบายใจอยู่ก็ไม่มีวันมีเวลาที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์จะแนะสอนให้ออกจากกองไฟไปได้เพราะเรายังชอบใจยังยินดีมันเป็นอย่างานั้นการปฏิบัติทางใจจึงเป็นของสาคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้องปฏิบัติโ ด, ดยตัวของเราเอง แต่ต้องไปเชื่อคนอื่นถือบุคคลอื่นถ้าหากเราเห็นเราเป็นภายในเชื่อเชื่อจริงจริงเชื่อครูบาอาจารย์เพราะอากาจีิยาถ้าติตลอดทึ่การพูดจาปราศัยต่างๆนา้าเราไม่ถือเป็นสําคัญขอให้ท่านพูดจุดที่เราเคยบังคับปฏิบัติมาแจ้งแจ้งชัดเจนเข้ากันดีแล้วเรื่องอากาศจีนิยาภายนอเราไม่ต้องไปถือ พอเป็นเดื่องผาเรื่องขันเรื่องสมมุติคนที่มีจิตเหลบถูกใจก็มีจิตใจมันก็มีเรื่องเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาของโลกแต่เรื่องหนุ่จากโกกคนจโกรกเป็นอย่างไรท่านเคยเล่าให้เราฟังเราก็เชื่อเราก็เรื่อมใส่พอมันเข้ากันกับการปฏิบัติภายในของเราถ้าหากมันไม่เข้ากันพูดไปธรรมะท่านดีแต่ตัวของท่านไม่ดีจิตใจของท่านไม่ดี แดี่ปากเป็นธรรมหัวใจเป็นยักษ์ใช่ไหมได้ถึงปากจะเป็นยักษ์หัวใจเป็นธรรมย่างดีเหตุนี้การปพิปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายสึ่งเขาให้ชื่อว่ากรรมฐานหรือนักปฏิบัติจะต้องพยายามที่นี้ที่เัน่นนะตามเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่า <c oughs> ถ้าปัจาัยา ท, าทั้งสี่เราเคยเที่ยวมา หลายวัดหลายว่าหลายจังหวัดถ้าปายยาของเรามันอยู่ที่ไหนเราเห็นเราเข้าใจรือไหมหรือจะเหมาโอว่าเราไม่มีวาดขนาดตัวเพื่อปฏิบัติไม่เป็นไม่ไปหรือจะเหมาโอว่าถ้าปายยาของเราไม่มีในแผ่นดินเหล่านี้จะไปมีที่ไหนให้พิจารณาดูให้ถนาดชัดเจนาหาเราไม่มีวาดสนา ธรรมะท่านสอนใครสอนมนุษย์หรือสอนสีทางสอนมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ ง, งการกระทำของเราเพียงแค่นี้ยังไม่เห็นเราก็ต้องรีบทําเร่งทําให้หนักแน่นเข้าไปธรรมดาน้ำมีอยู่ที่พื้นดินทั่วไปแต่คนขุดสําคัญถ้าขุดเพียง่นิดนหน่อยไม่เห็นน้ำก็ที่นี้ใน่มีน้ำแต่ถ้าขุดจริงจริแรงจนง่ี น้ำมันอยู่ในพื้นดินทั่วไปจะเป็นภูเขาถ้าเขาเจาะลงลึกก่ถึงอีกเหมือนกันเห็นอีกเหมือนกันนะยีเรศของเรามันหนาแล้วก็ตกชัยความเพียรสติปัญญามากทั่วไปยีเรศเขาบางเขาทำนิดนิดหน่อยเขาก็ได้ยนก่อถึงเหตุนั้นน้าอยู่ที่พื้นดินมันต่างกันบางที่ขุดนิดหน่อยมันก่ถึงบางทีบางแห่งขุดต้องคุดลึกอีกขั้นใดเรื่อง จิตใจของมนุษย์เราก็เหมือนกันทุกท่านทุกคนมีวาตสนามาแล้วจึงได้มาเกิดเป็นม น, นุษย์แต่ความสาคัญเราจะตัางหน้าต่างๆสร้างวาตสนาสร้างคนงามความดีเพื่อตอนคงตนให้ไปจับชัดเียนเห็นผลมันถือว่ามันยากทางมันไปทายาซีดยากมันพอไปในไดน้ยากยนีแ่แหละเราจึงได้มีพระพุทธเจ้าจึงได้สอนมาให้มีความเพียรมีความอดทน ผ่ามันง่ามันสะดวกสบายจะมีการอดการทนการผ่าการเทียนอย่างเงี้ยมันยากแล้วราต้องพยายามผ่าเทียนไปอดทนไปสู้มันไปมันก็ต้องมีวันหนึ่งซึ่งจะข้ามจากความยากความลําบากไปได้ที่เดือดตันหาทางาเราไม่มีจิตใจมั่นคงจริงจังไม่ตั้งใจทําละไม่ออกใจอย่างเงี้ย ในเหนื้อของสงกปรกส่วนอื่นซึ่งเอาน้ำํำตะบู่หรือผงมาซักฟอกนิดหน่อยมันก็ตกออกไปส่วนที่เรศปัญหาภายในใจของมนุษย์เราจะหาขนซักฟอกมาขนาดขูดเขามาซักกอกมันก็ไม่ออกถ้าหากเรามีความผาดความเพียนไม่มีสศิปัญญาชาระจริงจังเหตุนั้นผู้ที่ชาระได้จึงมีความผ่องใสและเยือกเย็นในมือหมองเป็นที่เป็นไทยอีกต่อไปจิตใจของเรา เมืเคยรวมเนรวมรวมเราก็รู้จักเพราะทำไม่มีเครื่องสั้นเลยมีเครื่องจิตบงังทจิตใจเราเรารวมธรรมดาเราก็รู้จักพอถอดถอนขึ้นมากิเลสตัญหาเป็นอย่างไรจิ่มันเคยมันเข้ามาอย่างไรมันทวีควรเชื่นหรือมันน้อยลงไปเราก็รู้จักแล้วการลูดเชื่อมจากกิเลสกับธรรมที่จิตของเราเคยสงบมันเป็นอย่างไรจะไม่เข้าใจอย่างไร การปฏิบัติถ้าหากไม่เข้าใจในตัวของตัวอย่างนั้นจะไปอาศัยแต่ท่านผู้อื่นมันก็หลงหล ง, ล, งลืมลืมเอาแน่นอนชัดเจนไม่ได้ถ้าหากปฏิบัติจนถึงท่านถึงขีดจริงจั ง, จงก็พอฟังกันออกพอรู้กันได้สะดวกสบายจิตญาถาทีเรื่องอื่นไม่ค่อยคืบกันข้อสำคัญถือการปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็าตาม ถ้าหากผู้ที่พฤตีปฏิบัติดีแทนที่ท่านจะเป็นคนเบื่อในการปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นท่านยิ่งขยันมันเพียปรปฏิบัติตัวของท่านรู้จักระยะเวลารู้จักการพักผ่อ น, อนพอสมควรในตัวของท่านไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติได้ได้ถึงรุดพ้นไปแล้วท่านจะไม่ มาเกี่ยวข้องอยู่สถานที่ใดอยู่สะดวกสบายทั้งนั้นสะดวกสบายจริงําหรับจิตใจของท่านแวดกว่าหาสถานที่พระพุทธเจ้าท่านก็รื้อปฏิบัติเป็นาสาวกษาดเป็นภาอาหารทำไมท่านจึงไปหาสถานที่อยู่สะดวกกายสบายส่วนของท่านแต่ความจริงจะไปอยู่ในสถานที่ใดท่านก็อยู่ได้แต่มันไม่สะดวกสาหรับเรื่อง ของกายเป็นบางแห่งบางผลเหตุนั้นชันจริงบัญญัติให้นักปฏิบัติอยู่เสนาสนามป่าอุตส่าห์พยายามตั้งเนื้อยู่สงบผาหากอยู่สงบสะดวกสบายแล้ะการต่เพปฏิบัติมันเป็นมันไปจิตใจเราจะไปฝึกเอาในสนามรอบทีเดียวไม่ได้จะหัวจาหารหรืนักงวยเขาก็ต้อ ง, องซ้อมกันเทียก่อนฝึกกันเทียก่อน ยิงข่าสนามลบทิ้งขึ้นบนเดชีถ้าหะาจะเป็นซ้อมหรือไปฝึกในเดชีทีเดียวหรือสนามลบทีเดียวสู้เขาไม่ด้ต้อง้ายเนี่ยนี่นักประพฤตปฏิบัตกับทํานองเดียวกันเรียดนั้นครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่ทันมีขีอเสียงเดียวนาะั่วนผู้ชายคนคนละเมืองส่วนไปเหลือห่อมใสยืดที่สู่สามาเนรยินดีพอใจไปศึกษา ก็ท่านใช้เข้าป่าเข้าโรงเคยอยู่สงบงบเนี่ยมาพอแล้วใชยปฏิบัติตัวของท่านจนแบบอย่างมาพอแล้วปัจจุบันท่านตาจะไปอยู่ในวัดในวาที่ท่านอยู่อาศัยท่านก็ยังเอาใจใส่ยังปฏิบัติดีกว่าพวกเราจึงว่าต่างหน้าต่างตาปฏิบัติทั้งทั้ที่ท่านร่ำรวยแล้วท่านดีดีแล้วท่านก็ยังทําดีอยู่อย่างนั้เหมือนกันกับเศรษฐีเงินทองเท่าของเท้ามี ยังพอบอริบูรณ์แต่เขาไม่เบือ่อในเงินทองเข้าข อ, ขอรายได้ทั่วไปก็ยังหากันอยู่ยังขวนขวายกันอยู่อืม น, นักปฏิบัติถึงแม้ท่านหนึงมุ่งหวังว่าจปะปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลเพื่ออะไรทั่วไปก่อตา่างแต่ท่านก็ยังทําเป็นทิฏฐิธรรมของท่านบัณฑิตเป็นอย่างนั้นไม่เบือ่อเลยทํา แต่พวกเรา เ, เป็นอย่างนั้นเป็นแต่หยิคนละขั้นละมุมและสิ่งละอย่างเลยเสี้ยความยินดีการทองเกลียวด้การอยู่เป็นที่เป็นฐานถ้าหากไม่สืบสอบไม่พิจารณาผู้อยู่ก่อไร้คุณค่าผู้ไปก็เสียอยีกเหมือนกันถ้าหากสืบสอบพิจารณาอยู่ก็ให้ได้ประกอบคุณงามความดีไปก่อให้สังเกตเหตุการณ์เรื่องจิตใจของตน เกิดแต่จิตปัญญาวิชาของรู้อย่างไรการอยู่กับการไปอะไรได้ผลมากน้อยกว่ากันใทีนี้ที่เจริาจึงจะอยู่จะอาศัยหรือจริงถอยไปนั่นแหละเป็นผลดีถ้าไปก็เป็นสังเกตเหตุการ์อยู่ก็เป็นสังเกตเหตุการ์อะไรจะถานที่ใดครูบาอาจารย์ครูหลักครูใหญ่นี้ชื่อเสียง กออยากจะไปแอบอินีิงอาศัยพอได้ริงได้ฉันนั่นนี้ไปย่างเสียหายหรือลืมเหนื่อลืมตัวไปเสียว่าทัวบวดมานานผ่านทุูบาอาจารย์มาหลายองค์เลลืมขอวัดปฏิบัติได้ลืมเดินยังกลมภาวนาได้ลืมการเข้ารัที่เรนต์ปัญหาซึ่งเรายังมีอยู่ถ้าหากเราหมดไปแล้วเรู้จักรักษาตัู ควรอย่างไรไมันควรอย่างไรทำมะภายในจะต้องบอกเองควรหรือไม่มันเป็นอย่างนั้นแต่เป็นปกติธรรมดาไอ้ก็ต้องไม่ชอบอยาเสพติดกินหยุดกินยาเพราะยุบยามันเป็นของที่ไม่ชอบของคนไข้แต่ยากจะให้าาหการใข้โรคภัยมันหย์ยา ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แก่กิเลสตัณหาเราทั่วไปก็เหมือนกันกับคนไข้ที่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่ชอบกินหยกกินยาไม่ชอบธรรมะธรรมโมชอบแต่เรื่องเออกระเลงใชาไชอบแต่เรื่องรสชาติสายอานิสไตนอกไม่ชอบเรื่องท่องคํามเสียดันกิเลสกินขอบงามหรือเบียดเดียนไม่เห็นเราได้รับความสูกความสบายตายชาดนี้ยังชาดหน้า เกาเกี่ยวครัวพันกันไปแล้จะเอาชาติไหนเวลาไหนมาปฏิบัติปฏิบัติใจส่วนลุดทนใหเราพิณิพิจเจนะแก้ไข่ตนข่องตนหาเราทุกคนได้สืบสอบพิณิพิจเจนาเอาธรรมะของครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้ามาแนะสอนจิตใจทองตนเบื่อๆไปอยู่สถานที่ใดเหมือนสั้งเกตเหตุการณ์ผันอะไรนอนอย่างไร จิตใจเกิดความผ่องใสเรื่เศราหมองให้รู้จักตัดทางของความเศร้าหมองหรือกิเลสที่เข้ามาทั้งผมกับจิตจับใจขอ้งตนได้กิเลสตัวนับวันณเวลาที่เลสภายนอก็มนเข้ามากิเลสภายในก็ชำระออกไปมันก็หมดออกไปขนาดนี่กิเลสภายนอกเข้ามาเท่าไหร่เราก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักว่ามันมาจากอะไรจากการกินได้จากานนจาการดื่มการหลับการ น, นอน แต่จากการคูยคุยนึกเกิดจากการปรมาอะไรอย่างสั้ญญาไม่เข้าใจท่าทไรก็ไปนีทางที่จะหักนึกห้ามกัน้นกิเลสภายนอกเข้ามาแล้วก็ไหลลงสู่ว่าใจดวงนี้บ่อยๆอย่างเรื่องภายในตัวไม่รู้จักท้งละสายางเหตุนั้นกิเลสจึงเป็นไปทั้งตัวถ้าหากคนรู้จัก เรื่องกิเลสภายนอกห้ามกั้นเอาไว้เรื่องภายในชำระออกไปเ่องความดีส่วนใดเคยเกิดเคยเห็นเคยเป็นเคยไปรักษาเอาไว้ đi, mới, ความดีส่วนใหม่ควรจะได้จะถิงพยายามจะ ท, ำ ên, ทํำบำเียยยพยนให้เกิดให้เป็นให้ได้ให้ถึงสุดนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าความเพียร้าหางในเพียรําระชั่วและห้ามกัน้นความชั่วไม่เพียรจะทําวึ ง, งามความดีในรักเพียร รักษาคุณงาความดีจะทําอย่างไรมันจึงจะหายไปได้จึงจะเรียกว่าความเพียรทางสิตทางใจนิสัยติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไในสืบสอบเรื่องของตนสักทีจะหาเอาความดีจากบุคคลผู้อื่นจากเหตุฐานที่ได้จากอุปกรณ์นั่นอีกแต่ตัวของตัวเองไม่เนื้ใหม่คิดใหม่เฝ้าใหม่ฝันในที่นี้ที่เจรณาส่วยแจ่ใช้ตัวของตัว เลยชั่วอยู่เรื่อยไปเรามีกิเลสอยู่วันนี้วันหน้าเราก็มีกิเลสอยู่เราอยู่จังหวัดนี้อยู่ในวัดนี้เราคงมีกิเลสไปข้างหน้ากบคนกิเลสคนเก่าไปเกลียดนั้นการอยู่ในสถ า, านที่ใดให้หมันที่นี้ที่เจริญนาสืบสอบแล้วเขาเพื่อปฏิบัติจนหเห็นครับในตัวของตัวว่าการปฏิบัติในสถ า, านที่นั้นเป็นอย่างไรไปสถ า, านที่นั้นเป็นอย่างไรขาดทุนหรือสูญกําไรหรือได้กําไรอย่างไร ใครเข้าใจในตัวของตัวอย่างถ้าเขียนรายด้ร า, ายเสียความขยันเะหมือนเพียรมันเกิดขึ้นเมื่อมันเสี่ยมลงไปในบางที่บางสถานกว่การเสี่ยมใครมาทําให้เราเสี่ยมใครเอาสิ่งเด็เข้ามาใส่เราเมื่อมันจเจริญใครมาทําความเจริญให้เราอย่างเสี่ยมอย่าจจเจริญเราทำําาาทำในตัวของเราเองเราทําในตัวของเราเอง แต่ปกติการไปคิดปฏิบัติใหม่ๆเมื่อมันเสื่อมกวเสียใจเมื่อมันเจริญก็ดีใจแต่ปฏิบัติชินเคยเข้าไปไม่เป็นอย่างไรเห็นเป็นธรรมดาเลี่ยงเสื่อมก็เลี่ยงเจริญต้อเกิดขึ้นจากสถานที่ใดสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นต้องดับได้แต่กต็ไม่เสียใจในเมื่อเวลามันเสื่อมลงไปไม่ดีใจในเมือ่อมันเจริญขึ้นปกติจิตใจไร้คงที่ของความเสี่ยมคําเจริญเป็นธรรมดาี เราเรี่กงคนจะเตี้ยมจากเจริญอะไรตัวนั้นแหละตัวทั้งผัดอย่างสมมุติเข้าไปในสิมีอีกอันหนึ่งซึ่งเหนือโลกเตรียมก็ไม่ใส่เจริญก็ไม่ใ ส, ใส่ดีก็ไม่ใส่ถั่วก็ไม่ใส่ในเหมือนการปฏิบัติใหม่ๆด้วยเหมือนความสงบสนันต์ของเราความไม่จิตคล่องในความรู้ความไม่จิดคล่องในสัญญาอารมณ์ต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างไปจะสมมติว่าอะไรก็สมมติได้แต่สิ saya, bar, lain, ini, رك, ita, ่งเหล่านั้นจะว่าเหนือสมมติก็ว่าได้อีกเหมือนกันเพราะมันอยู่ในเรื่องที่เราเคยไม่เคยคิดเคยพบเคยเห็นแต่ว่าสมาธิกบาาจารยนึรืว่านิพพานวิมุตแล้วแต่จะสมมติท่านผู้ปฏิบัติเห็นเองเข้าใจเอง ถามันไปถึงจีตท่านอย่างนั้นเราก็มีตลอดพอจะไปวัดครูวัดอาจารย์ได้เข้าใจขนาดชาัดเจนอธิบายธรรมะครูอธิบายท่านหนเราเข้าใจชัดเจนในตัวของเราเพราะเราเคยต่อเพื่อปฏิบัติมาเหตุ น, นั้นเนียครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยสอนอยากจะให้เรามีปรลอดในตัวของเราอย่างนั้นการจะเชื่อถือคนจึงจะไปมุ่งงาน เพราะเราพอเพื่อปฏิบัติได้อย่างไรเห็นอย่างไรคนอื่นพอเพื่อปฏิบัติก็ไม่หนีไปสถานที่ใดจะไปชุดเดียวกันทางเดียวกันเพราะราคะมานะทิตติเดชอวิชาอาจารหาอุปาทานมันอยู่แห่งเดียวกันจะไปทำลายที่ไหนถ้าหักไมทำลายอย่างพระพุทธเจ้าทำลายดังนั้นนักปฏิบัติหรครูบาอาจารย์ท่านเลีสอน ก็เนี watering, ้ยสอนจุดนี้เมื่อไปศึกษาแล้วนักศึกษาที่วไปก็จะส่องศึกษาจุดนี้มันเป็นอย่างไรไปถึงที่ไหนแค่ไหนถ้าหากว่าปฏิบัติถึงที่สุดจนหมดสมมติในตัวท่านพูดไปแง่ไหนมีไหนพูดเพื่อใครือเรื่องอะไรเราเข้าใจอย่าฟังเอ มาเป็นขอดิตขอฟังได้เราจะฟังดูจิตดวใจของผู้แสดงแล้วก็มองเห็นอีกเหมือนกันขาะเรามีหูคิดตาคิดด้วยการปฏิบัติของเราเองแต่ไปยืมมาจากที่มีพวกเรามนเป็นอย่างนั้นสมไมไปัจจุบันทานตามันเป็นอย่างว่าการนกการคิดการ แต่ทำมำเพนแทงกันด้านวัตถุแต่ด้านการาเพื่อปฏิบัติจิตใจเป็นอย่างไรยากหนายากหนาซึ่งศิตญาณุจิตทั่วไปจะเขา้าศึกษาตกลงบาอาจารย์แต่สมัยท่านอาจารย์มั่นอยู่ไม่เป็นอย่างนี้นักปฏิบัติเข้าไปเป็นไงจิตใจ่าวนาอะไรท่านต้องถามคำานี้ทุกองค์ไปทุกพวกไปเหตนั้นพูที่อยู่ใน วัดกับท่านทหารมักอยากจะฟังธรรมเนีย่ยได้ฟังทุกคืนทุกวันถึงท่านจะเหนื่อยจะไม่ค่อยสบายอ่อนแออยู่กว่าตามทหากไปผู้ธรรมะสึ่นกระดุดใจของท่านท่านจะต้องเทศให้ฟังทีเดียวในเหมือนอง์อืน่นธรรมะเป็นยาสําหรับจิตของท่านท่านมีความซีติยินดีสาสสาลณกิจลูกหาแต่เราธรรมะสู่ท่านฟังตัวอย่างนั้นอย่งน จะเล่าเรื่องอื่นท่านไม่เคยพูดเป็นอย่างนั้นสาหรับองค์ของท่านเหตุ น, นั้นเราปัจจุบันถ้าหากว่าสมัยนี้ศาสนาจะเจรียนวัฏวารามพุจิวิหารใหญ่โตแล้วโธฐานพระพิสุทธิมณีมาจะเอาจะเริยนแค่นี้หรืหรือจะเอาจะเรียนด้านจิตด้านใจมันมองไปตรงกันข้ามเลยมาถือด่านภายนอก หรือเหลือของศาสนาว่าเป็นแก่งของศาส น, นาเลยใ่ไหมอ่อนใจสําหรับนักปฏิบัติสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรแม้ว่าแต่องค์อื่นนะองค์ที่พูดอยู่นี้ก็เหมือนกันเยมันสําคัญแต่มองเห็นแต่คนอื่นตัวของเราก็เหมือนกันจะทําอย่างไรการรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าสอนความมุ่งของพระองค์สอนเชิงแฉ่ด้านวัตถุหรือ สอนเรื่องแช่อยู่สะดวกสบายแช่นิ่งเรียสอนเพื่อความหลุดพ้นแต่เราทีนี้ที่จะเรียนหาทางแก้ไขและปักเตวนตัวของเราให้ต้องิสูปฏิบัติดีเด่นขึ้นไปอย่าไปเห็นแค่การหลับการนอนการอยู่การกินการเพลิดเพินส่วนภายนอกเรื่องเหล่านี้สัตว์มันก็ที่ อ, อยู่ที่อาศัย มันก็มีอยากมีินมีเพิดมีเพลินเหมือนกันแต่เราซึ่งเหียกว่าพระว่านเรนหรือว่านักปฏิบัติเราจะทําอย่างไรจึงจะแปลกจากศัตรูเหล่านั้นในตัณใจทีนี้ที่ใจะนะแล้วตัณหาตัณตาของเพื่อปฏิบัติหากทุกท่านสระดับรับฟังธรรมะที่นํามาอธิบายนี้เห็นว่าเป็นขอ้อ ปฏิบัติหรือข้อควรไขคิดๆรู้พิจารณาแลวโปรดอาราธนาทุกท่านนำไปนึกติดตามและปฏิบัติต่อไปแนวสารการอธิบายธรรมาน้ขอขวกท่านทุกคนจงประสบพบความสุขความเจริญคือค้นไปจากี่เลตปัญหาอย่าง พระสัทสดาหรือสาวกทุกองค์ที่ฝนมาแล้วเอวัน